สองในลาปนานิเทศนี้อถธิบายดังต่อไปนี้การที่ภิกษุเห็นคนทั้งหลายพากันมาวัดแล้วรีบทักก่อนอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายพากันมาเพื่อต้องการอะไรหรือเพื่อจะนิมนต์ภิกษุทั้งหลายหรือถ้าเช่นนั้นเชิญกลับไปได้อัตมาจะพาภิกษุทั้งหลายไปภายหลังดังนี้ชื่อว่าอาลปนนาที่แปลว่า การพูดทักก่อนอีกประการหนึ่งการที่ภิกษุพูดเสนอตนเข้าไปชักเข้าหาตนอย่างนี้ว่าอัตมาชื่อติดสะพระราชาทรงเลื่อมใสในอัตมามหาอัมมาตของพระราชาโน้นและมหาอัมมาตของพระราชาโน้นก็เลื่อมใสในอัตมาดังนี้ก็ชื่อว่าอาปัป น, นาเมื่อภิกษุ ถูกถามแล้วพูดมีประการดังกล่าวมาแล้วนั่นแลชื่อว่าลับปนาแปลว่าการพูดอวดการที่ภิกษุกลัวในอันที่กหาบดีทั้งหลายจะแหนงนายจึงพูดเอาใจให้โอกาสเิเรื่อยๆชื่อว่าสัลปนาแปลว่าการพูดเอาใจการที่ภิกษุพูดยกให้สูงขึ้นอย่างนี้ว่า ท่านกุดุมพีใหญ่ท่า น, นาเรือใหญ่ท่นธานบดีใหญ่ดังนี้ชื่อว่าอุลปนาแปลว่าการพูดยกยอการพูดยกให้สูงขึ้นโดยส่วนอย่างสิ้นเชิงชื่อว่าสมุลปนาแปลว่าการยกยอให้หนักขึ้นการพูดผูกมัดคือพูดผูกมัดให้หนักหนักขึ้นอย่างนี้ว่าอุบาศกและอุบาสิกาทั้งหลาย เมื่อก่อนในการเช่นนี้พวกท่านย่อมถวายนาวทานคือให้สิ่งของแรกเกิดขึ้นใหม่ๆแต่บัดนี้ทำไมจึงไม่ถวายเล่าทั้งนี้จนกว่าอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายจะกล่าวรับรองซึ่งคามีอาธิว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญพวกกระผมจะถวายอยู่แต่ยังไม่ได้โอกาสดังนี้ชื่อว่าอุณนห น, นาแปลว่า การพูดผูกมัดอีกประการหนึ่งภิกษุเห็นอ้อยในมือแล้วถามว่าเอามาจากไหนอุบาสกเมื่อเขาตอบว่าเอามาจากไรอ้อยขอรับจึงถามต่อไปว่าอ้อยที่ไรนั้นหวานไหมเมื่อเขาตอบว่าต้องเคี้ยวดูวจึงจะทราบขอรับภิกษุพูดต่อไปว่าอุบาสก การที่ภิกษุจะพูดว่าท่านทั้งหลายจงถวายภิกษุดังนี้หาสมควรไม่การพูดผูกพันแม้ของภิกษุผู้ปฏิเสธอยู่เห็นปานชนนี้นั้นชื่อว่าอุณห น, นาการพูดผูกมัดบ่อยๆโดยส่วนอย่างสิ้นเชิงชื่อว่าสุมุณห น, นาแปลว่าพูดผูกมัดหนักขึ้น บทว่าอุ ก, กาจนาความว่าการพูดยกตนอย่างนี้ว่าตระกูลนี้รู้จักแต่อาตมาเท่านั้นถ้าทายธรรมเกิดขึ้นในตระกูลนี้เขาก็ถวายแต่อาตมาเท่านั้นดังนี้ชื่อว่าอุ ก, กาจนาแปลว่าการพูดยกตนอธิบายว่าพูดเชิดตนก็แลในบทนี้ นักศึกษาพึงนำเอาเรื่องของนางเตลกันเทริกามาเล่าประกอบด้วยการพูดยกตนบ่อยๆโดยส่วนอย่างสิ้นเชิงชื่อว่าสมุกกาชนาแปลว่าการพูดยกตนให้หนักขึ้นการพูดให้เป็นที่รักอย่างพร่ำเพรื่อไปอย่างเดียวโดยไม่แลเหลียวถึงความสมควรแก่สัจจะสมควรแก่ธรรมหรือไม่ชื่อว่า อนุปิยภาณิตาแปลว่าการพูดให้รักอย่างพร่ำเพื่อความประพฤติตนต่ำคือประพฤติตั้งตนไว้ต่ำชื่อว่าจาตุ ก, กรรมยตาการพูดลดตนเองบทว่ามุคสูปยตาแปลว่าความเป็นผู้เช่นกับแกงถัวอธิบายว่าเมื่อเขาแกงถัวอยู่ ถั่วบางมาเมล็ดเท่านั้นจะไม่สุกส่วนที่เหลือสุกหมดฉันใดในถ้อยคำของบุคคลใดมีความจริงเป็นบางคำเท่านั้นส่วนคำที่เหลือเป็นคำพล่อยๆบุคคล น, นี้เรียกว่ามุขสูปอยะแปลว่าคนเหมือนแกงถั่วฉันนั้นภาวะแห่งบุคคลผู้เหมือนแกงถั่วนั้นชื่อว่ามุขสูปะยะตา แปลว่าความเป็นคนพูดเหมือนแกงถัว่วบทว่าปริพัตยตาแปลว่าความเป็นผู้รับเป็นพี่เลี้ยงอธิบายว่าภิกษุใดเลี้ยงคืออุ้มเด็กในตระกูลทั้งหลายด้วยสเสเยลบ้างด้วยคอบ้างเหมือนอย่างหญิงพี่เลี้ยงการงานของภิกษุผู้เลี้ยงเด็กนั้นชื่อว่า ปาริพัตยังภาวะของการงานของภิกษุผู้เลี้ยงเด็กชื่อว่าปาริพัตยตาแปลว่าภาวะแห่งการงานของภิกษุผู้เลี้ยงเด็กสในเนมิติกตานิเทศมีอธิบายดังต่อไปนี้การกระทำทางกายและทางวาจายอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุให้คนอื่นๆยังรู้ในอันจะถวายปัจจัยชื่อว่านิมิตะการเห็นคนทั้งหลายถือของเคี้ยวเดินผ่านไปแล้วกระทำนิมิตโดยในยะมีอาทิว่าพวกท่านได้ของเคี้ยวอะไรดังนี้ชื่อว่านิมิตตกรรมมแปลว่าการกระทำนิมิตการพูดประกอบด้วยปัจจัยชื่อว่าโอภาษ แปล ว, ว่าการประกาศความปรารถนาของตนการที่ภิกษุเห็นพวกเด็กเลี้ยงโคและถามว่าลูกโคเหล่านี้เป็นลูกโคนมหรือลูกโคเปรียงเมื่อเขาตอบว่าลูกโคนมเขารับดังนี้แล้วจึงสั่งให้เด็กเหล่านั้นบอกแกบิดามารดาให้ถวายน้ำนมโดยในยะมีอาทิยังนี้ว่าลูกโคเหล่านี้จะไม่ใช่ลูกโคนมถ้าเป็นลูกโคนมพวกภิกษุ ก็จะได้น้ำนมกันบ้างดังนี้ชื่อว่าโอภาสกรร ม, มะแปลว่าการกระทําโอภาษการพูดกระซิบใกล้ๆชื่อว่าสามันตะชับปาก็แหละในบทนี้นักศึกษาควร น, นำเรื่องกุลูปะกะภิกษุมาเล่าประกอบด้วย เรื่องกุลูปะกะภิกษุได้ยินว่าภิกษุกุลูปะกะใครจะฉันอาหารจึงเข้าไปในบ้านแล้วนั่งอยู่หญิงแม่บ้านเห็นเธอแล้วไม่ประสงค์จะถวายจึงพูดว่าข้าวสารไม่มีดังนี้แล้วพลางเดินไปเรือนคนคุ้นเคยกันทำเป็นเสมือนจะไปเอาเข้าวสารมาฝ่ายภิกษุเข้าไปในห้องเห็นอ้อยลำหนึ่งพิงอยู่ที่ซอกประตู เห็นน้ำอ้อยงบอยู่ที่ภาชนะเห็นปลาเค็มผ่าแบกอยู่ในกระเชา้าเห็นข้าวสารอยู่ในองค์เห็นปเปรียงอยู่ในหม้อแล้วจึงออกมานั่งรออยู่หญิงแม่บ้านกลับมาถึงพูดว่าข้าวสารหาไม่ได้พิกษุพูดเปลยขึ้นว่าอุบาสิกาอตมาได้เห็นลางมาก่อนแล้วว่าวันนี้ภิกษาหารจะไม่สาเร็จหญิงแม่บ้านพูดว่า เห็นลางอะไรเจ้าคะภิกษุพูดต่อไปว่าอัตมาได้เห็นงูเหมือนอ้อยที่พิงไว้ที่ซอกประตูคิดว่าจะตีมันพอไปได้เห็นแผ่นหินเหมือนก้อนน้ำอ้อยงบที่เก็บไว้ในภาชนะเห็นพังพานที่งูถูกตีด้วยก้อนดินแล้วแผ่ออกเหมือนปลาเค็มที่แผ่แบะเก็บไว้ในกระเช้าได้เห็นเขี้ยวของมันเมื่องูทาท่าจะขบก้อนดินนั้นเหมือนเข้าสารที่อยู่ในอง่ง แต่นั้นได้เห็นน้ำลายเจือพิษกำลังไหลออกมาจากปากของมันซึ่งมีความโกรธจัดเหมือนปเปรียงที่ใส่ไว้ในหม้อหญิงแม่บ้านคิดว่าเราไม่อาจลวงภิกษุหัวโล้นได้แล้วจึงจำถวายอ้อยแล้วหุงข้าวได้ถวายสิ่งทั้งปวงพร้อมด้วยปเปรียงน้ำอ้อยงบและปลาทั้งหลายด้วยประการชนี้การพูดกระซิบใกล้ๆด้วยประการดังกล่าวมา นักศึกษาพึงทราบว่าการพูดกระซิบการพูดอ้อมไปอ้อมมาโดยประการที่จะได้มาซึ่งปัจจัยนั้นชื่อว่าปริคถาแปลว่าการพูดเรียบเคียงด้วยประการชนนี้สในนิเปสิกตานิเทศ ในนิเปสิกตานิเทศมีอา ธ, าธิบายดังต่อไปนี้การด่าด้วยอโกสกะวัตถุสิบประการชื่อว่าอโกสนาการพูดขม่มชื่อว่าวมพนาการพูดยกโทษโดยในยะมีอาธิว่าเป็นผู้ไม่ศรัทธาเป็นผู้ไม่เลื่อมใสชื่อว่าคารหนาะการพูดสาดด้วยวาจาว่า ท่านทั้งหลายอย่ามาพูดอย่างนี้ณที่นี้ชื่อว่าอุเคปนาการพูดศาสตร์อันประกอบด้วยวัตถุประกอบด้วยเหตุโดยส่วนอย่างสิ้นเชิงชื่อว่าสมุเคปนาอีกนัยยะหนึ่งเห็นคนไม่ให้ทานแล้วพูดยกขึ้นอย่างนี้ว่าโอ้ท่านทานาบดีดังนี้ชื่อว่าอุเขปนา การพูดยกให้ดีขึ้นไปอีกอย่างนี้ว่าท่านมหาธานบดีชื่อว่าสมุขเขปนาการพูดติดเตียนอย่างนี้ว่าชีวิตของคนนี้เขาชอบบริโภคพืชอย่างไรละ่ะชื่อว่าขิปนาการพูดติดเตียนหนักยิ่งขึ้นว่าผู้ใดให้คำพูดว่าไม่มีแม้แก่คนทั้งปวงตลอดการเป็นนิส ท่านทั้งหลายจะพูดปฏิเสธบุคคลผู้นี้ว่าไม่ใช่ทายกได้อย่างไรดังนี้ชื่อว่าสังขิปนาการพูดให้เขาถึงแก่ความไม่เป็นทายกหรือให้ถึงแก่ความเป็นโทษชื่อว่าปาปนาการพูดให้เขาถึงแก่ความไม่เป็นทายกหรือให้ถึงแก่ความเป็นโทษโดยส่วนอย่างสิ้นเชิงชื่อว่าสัมปาปนา การนำความเสียหายจากเรือนโน้นมาสู่เรือนนี้จากบ้านโน้นสู่บ้านนี้จากตำบลโน้นสู่ตำบล น, นี้โดยความหมายว่าเขาจกให้แก่เราแม้เพราะกลัวต่อความเสียหายด้วยอาการอย่างนี้ชื่อว่าอาวัรณาาริกาต่อหน้าพูดดีรับหลังพูดเสียชื่อว่าปรปิตทิมังสิกตา จริงอยู่การพูดเช่นนี้จะมีได้ก็แต่แก่คนที่ไม่อาจอยู่สู่หน้าสำหรับคนอยู่ลับหลังแล้วทำเป็นเหมือนจะกินเนื้อเอาทีเดียวเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าปราปิดที่มังสิกตาคําว่านี้เรียกว่าการด่าแช่งความว่าโดยที่ภิกษุนี้ยอมกวาดล้างคุณความดีของผู้อื่นให้พังพินาศไป ดูดกวาดล้างด้วยซีไมพายอีกอย่างหนึ่งโดยที่วาจานี้เป็นสิ่งที่บทปนคุณความดีของผู้อื่นสแสวงหาลาบเหมือนคนบทไม้หอมสแสวงหาของหอมฉะนั้นจึงเรียกว่านิปเปสิกตาห้า ในนิเทศสแสวงหาลาบด้วยลาบมีอัธถาทิบายดังต่อไปนี้บทว่านิชิขีสันตตาแปลว่าสแสวงหาบทว่าอิโตลัทธังแปลว่าได้จากเรือนนี้บทว่าอุมุตตะแปลว่าณเรือนนอนบทว่าเอธิ แปลว่าเสาะหาบทว่าคเวติแปลว่าสแสวงหาบทว่าปริเยติแปลว่าสแสวงหาบ่อยๆอันหนึ่งในอธิการนี้นักศึกษาพึงเล่าเรื่องภิกษุผู้ให้พิกษาที่ได้มาแล้วได้มาแล้วตั้งแต่แรกๆแก่พวกเด็กๆในตระกูลณนะที่นั้นแล้วในที่สุด ก็ได้ข้าวยาขู่เจือน้ำนมไปมาประกอบด้วยบทว่าเอสนาที่แปลว่ากิริยาที่แสวงหาเป็นต้นเป็นไวยพจน์ของบทว่าเอธิที่แปลว่าเสาะหานั่นเองเพราะฉะนั้นคําว่าเสาะหาได้แก่กิริยาที่เสาะหาคําว่าแสวงหาได้แก่กิริยาที่แสวงหา คำว่าสแสวงหาบ่อยๆได้แก่กิริยาที่สแสวงหาบ่อยๆนักศึกษาพึงทราบการเข้าประโยคนาที่นี้ด้วยประการชนนี้นั่นเทียวอธิบายแห่งกุหณะนิเทศเป็นต้นยุติด้วยประการชนนี้บัด น, นี้นักศึกษาพึงทราบว่าโดยอาธิศัพท์ในคำว่า แห่งบาปทำทั้งหลายมีอาทิอย่างนี้นั้นได้แก่การถือเอาบาปทำทั้งหลายเป็นอเนกประการที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในพรมชาลสูตรโดยในยะมีอาทิว่าก็แล่อีกอย่างหนึ่งเหมือนอย่างสมณพราหมผู้เจริญพวกหนึ่งฉันโพชนาทั้งหลายที่เขาถวายด้วยศรัทธาแล้วย่อมสาเร็จการเลี้ยงชีพด้วยมิจฉาชีพด้วยดิรัชานวิชาเห็นปานฉนี้ คือทำนายองค์อวัยวะทำนายลางทำนายอุบาททำนายฝันทำนายลักษณะทำนายหนูกัดผ้าบูชาไฟบังหวนควันมิจฉาอาชีพที่เป็นไปโดยอำนาจการล่วงละเมิดสิขาบทหกประการที่ทรงบัญญัติไว้เพราะอาชีวะเป็นเหตุเหล่านี้และมิจฉาอาชีพที่เป็นไปด้วยอำนาจบาปธรรมทั้งหลายมีอาทิอย่างนี้ว่าการหลอกลวง การพูดเลาะเล็มการกระทํานิมิตการด่าแช่งการสแสวงหาลาบด้วยลาบนี้อันใดการงดเว้นจากมิจฉาอาชีพแม้ทุกๆประการนั้นอันใดอันนี้ชื่อว่าอาชีวะปาริสุดที่ศีลด้วยประการชนนี้อัตถวิเคราะห์แห่งถ้อยคําในบทอาชีวะปาริสุดที่นั้นดังนี้ ภิกษุทั้งหลายอาศัยการงานนั้นเป็นอยู่เหตุนั้นการงานนั้นชื่อว่าอาชีวะอาชีวะนั้นคืออะไรคือการพยายามสแสวงหาปัจจัยสี่ความบริสุทธิ์ชื่อว่าปาริสุทธิ์ความบริสุทธิ์แห่งอาชีวะชื่อว่าอาชีวะปาริสุทธิ์ทชนี อธิบายปัจจะยาสันนิสิตศสลป์อันหนึ่งในปัจจะยาสันนิสิตศิีน์ซึ่งตรัสไว้ในลำดับแห่งอาชีวะปาริสุทธิศีลนี้นั้นมีอัธยาอธิบายดังต่อไปนี้อธิบายบทจีวรนคำว่าพิจารณาแล้วโดยแยกคายความว่าพิจารณาแล้วรู้แล้วคือเห็นประจักษ์แล้ว โดยอุบายคือโดยถูกทางจริงอยู่การพิจารณาที่กล่าวไว้โดยในยะมีอาธิว่าเพื่อบำบัดความเย็นดังนี้นั่นเองนักศึกษาพึงทราบว่าพิจารณาแล้วโดยแยกายณนะที่นี้ในคำเหล่านี้คำว่าจีวอนได้แก่ผ้าผืนใดผืนหนึ่งในบรรดาผ้าสามผืนมีผ้าอันตราวาสกเป็นต้น คำว่าย่อมเสพคือย่อมใช้สอยได้แก่นุ่งหรือหม่มคำว่ายาวะเทวะเป็นคำกำหนดเขตแห่งประโยชน์อย่างแน่นอนจริงอยู่ประโยชน์ในการเสพจีวรของโยคีบุคคลมีกำหนดเพียงเท่านี้คือประโยชน์มีว่าเพื่อบำบัดความเย็นเป็นต้นนี้ไม่ยิ่งไปกว่านี้ บทว่าซึ่งความเย็นความว่าซึ่งความเย็นอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเพราะเหตุที่ธาตุภายในกำเริบบ้างเพราะเหตุที่อุตุภายนอกเปลี่ยนแปลงไปบ้างบทว่าเพื่อบำบัดความว่าเพื่อบรรเทาคือเพื่อบรรเทาเสียซึ่งความเย็นนั้นโดยประการที่จะไม่ให้มันทำความอาพาธให้เกิดขึ้นในร่างกาย จริงอยู่โยคยีบุคคลผู้มีจิตฟุ้งซ่านไปในเพราะเหตุร่างกายกระทบความเย็นย่อมไม่อาจที่จะตั้งความเพียรโดยแยบคายได้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงอนุญาตว่าภิกษุพึงเสพจีวรเพื่อบำบัดความเย็นดังนี้นักศึกษาพึงทราบในยะในประโยชน์ที่เหลือทั้งหมดเช่นเดียวกันนี้เพราะในบทนี้มีอัธาธิบายอย่างครบถ้วน บทว่าซึ่งความร้อนความว่าซึ่งความร้อนอันเกิดแต่ไฟนักศึกษาพึงทราบแดนที่เกิดของความร้อนนั้นในเพราะไฟป่าเป็นต้นก็มีอันหนึ่งในบทว่าทางสมกะสวาตาตะปะสิริงสปะสัมผัสสาห น, านี้มีอัฏฐานที่บายดังนี้บทว่าทัสสาแปลว่าเหลือ บางอาจารย์กล่าวว่าได้แก่มแมลงวันหัวเขียวก็มีบทว่ามักกสาได้แก่ยุงโดยเฉพาะบทว่าวาตาได้แก่ลมทั้งหลายอันต่างด้วยลมปนฝุ่นและไม่ใช่ลมปนฝุ่นเป็นต้นบทว่าอาตาปะได้แก่แสงอาทิตย์สัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งเสือคลานไปมีตัวยาวเช่นงูเป็นต้น ชื่อว่าซิริงส ป, ปะสัมผัสของสัตว์เหล่านั้นมีสองอย่างคือสัมผัสด้วยการกัดหนึ่งสัมผัสด้วยการถูกต้องหนึ่งแม้สัมผัสนั้นย่อมเบียดเบียนภิกษุผู้นุ่งห่มจีวรแล้วไม่ได้เพราะฉะนั้นภิกษุจึงเสพจีวรเพื่อประโยชน์จะป้องกันสัมผัสทั้งหลายในสถานที่ทั้งหลายเช่นนั้น ตรัสคําว่ายาวะเทวะซ้ำอีกก็เพื่อแสดงถึงกําหนดเขตประโยชน์ที่แน่นอนของจีวร น, นั้นจริงอยู่การปกปิดอวัยวะส่วนที่ทําให้ความละอายสูญหายนับเป็นประโยชน์ที่แน่นอนส่วนประโยชน์นอกนั้นเช่นการบําบัดความเย็นเป็นต้นย่อมมีได้เป็นบางครั้งบางคราวอวัยวะที่แคบแคบนั้นชื่อว่าฮิริโกปินะ ในบทว่าฮิริโกปินะปฏิชาทานังนั้นจริงอยู่เมื่ององอวัยวะส่วนใดๆถูกเปิดอยู่ความละอายย่อมสูญย่อมหายไปองอวัยวะส่วนนั้นๆท่านเรียกว่าฮิริโกปินะเพราะเป็นเหตุทําให้ความละอายสูญหายไปและที่เรียกว่าฮิริโกปินะปฏิชาทานัตถังเพราะอธิว่า เพื่อปกปิดอวัยวะโวนที่ทำให้ความละอายสูญหายไปนั้นพระบาลีว่าอิริโกปินังปฏิชฉาธนัถังดังนี้ก็มีอธิบายบทบินทบาทคำว่าบินทบาทคือซึ่งอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งจริงอยู่ อาหารชนิดใดชนิดหนึ่งท่านเรียกว่าบินทบาดเพราะอาหารนั้นตกลงในบาดด้วยพิกขาจารวัดของภิกษุอีกอย่างหนึ่งความตกลงแห่งก้อนข้าวทั้งหลายชื่อว่าบินทบาดอธิบายว่าได้แก่ความร่วมกันความเป็นกลุ่มกันแห่งภิกษาหารทั้งหลายที่ภิกษุได้แล้วนาที่นั้นๆคำว่าไม่ใช่เพื่อเล่นอธิบายว่า เพื่อเล่นคือทำเป็นเครื่องหมายกีฬาเหมือนอย่างพวกเด็กชาวบ้านเป็นต้นหามิได้คำว่าไม่ใช่เพื่อความเมาอธิบายว่าเพื่อความเมาคือเป็นเครื่องหมายของความเมากำลังและเป็นเครื่องหมายของความเมาของความเป็นบูรุษเหมือนพวกนักมวยเป็นต้นหามิได้คำว่ามีใช่เพื่อประดับอธิบายว่าเพื่อประดับ คือเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นผู้มีองค์อวัยวะน้อยใหญ่อิ่มเต็มเหมือนกับพวกหญิงชาววังและหญิงแพทย์ยาเป็นต้นหามิได้คำว่าไม่ใช่เพื่อตกแต่งอธิบายว่าเพื่อตกแต่งคือเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นผู้มีผิวพรรณผ่องใสเหมือนพวกหญิงละครและพวกหญิงช่างฟ้อนเป็นต้นหามิได้ ก็แลในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าไม่ใช่เพื่อนเล่นนี้ประผู้มีพระภาคตรัสไว้เพื่อประหารอุปนิสัยแห่งโมหะคำว่าไม่ใช่เพื่อความเหมานี้ตรัสไว้เพื่อประหารอุปนิสัยแห่งโทสะสองคำว่าไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งนี้ตรัสไว้เพื่อประหารอุปนิสัยแห่งราคะ อันหนึ่งสองคำว่าไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อความเมานี้ตรัสไว้เพื่อป้องกันการบังเกิดขึ้นแห่งสังโยชน์ของตนสองคำว่าไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งนี้ตรัสไว้เพื่อป้องกันการบังเกิดขึ้นแห่งสังโยชน์แม้ของผู้อื่นอันหนึ่งนักศึกษาพึงทราบว่าการประหารซึ่งข้อปฏิบัติ ด, ด้วยไม่แยกใคยและการมาสุ ข, ขัาลิการุโยก พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วแม้ด้วยบททั้งสี่บทนี้บทว่ายาวะเทวะมีอธิบายดังกล่าวมาแล้วนั่นแหลคคาว่าแห่งกายนี้คือแห่งรูปกายอันประกอบด้วยมหาพูดทั้งสี่นี้คําว่าเพื่อดำรงอยู่คือเพื่อความดำรงอยู่สืบเนื่องกันไปคือว่าเพื่อความเป็นไป คือเพื่อต้องการแก่ความเป็นไปอย่างไม่ขาดสายหรือเพื่อดำรงอยู่ตลอดกาลยาวนานจริงอยู่ภิกษุนี้ย่อมเสบินทะบาตเพื่อความดำรงอยู่และเพื่อความเป็นไปของกายเหมือนเจ้าของเรือนที่สุดโทมทำการค้าจุนเรือนและเหมือนพ่อคาเกวียนทำการหยอดพลาเกวียนฉะนั้นไม่ใช่เสบินทบาตรเพื่อเล่นเพื่อความเมาเพื่อประดับและเพื่อตกแต่ง อีกประการหนึ่งคำว่าทิติที่แปลว่าความดำรงอยู่นี้เป็นชื่อของอินทรีย์คือชีวิตเพราะเหตุนั้นนักศึกษาพึงทราบว่าด้วยคำว่าเพื่อความดำรงอยู่เพื่อความเป็นไปแห่งกายนี้เพียงเท่านี้จะอธิบายว่าเพื่ออย่างอินทรีย์คือชีวิตแห่งกายนี้ให้เป็นไปดังนี้ก็ได้ คำว่าเพื่อรังงความเบียดเบียนมีอัตถาทิบายว่าความหิวชื่อว่าวิหิงสะโดยอัตถาว่าเบียดเบียนภิกษุนี้ย่อมเสบบิณฑบาตแม้เพื่อรังงความเบียดเบียนนั้นเหมือนคนเป็นแผลทาแผลและเหมือนเมื่อคนไข้ในเฉพาะฤดูร้อนและฤดูหนาวเป็นต้นรับประทานยาเพื่อป้องกันความร้อนความหนาวนั้นฉะนั้น คำว่าเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์มีอา ธ, าธิบายว่าเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์คือศาสนาทั้งมวลอย่างหนึ่งเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์คือมรรคอย่างหนึ่งจริงอยู่ภิกษุนี้ได้อาศัยกําลังกายเพราะมีอันเสบินทบาทเป็นปัจจัยปฏิบัติอยู่เพื่อสลัดออกจากความกันดาลคือภพด้วยอํานาจการประกอบเนืองเนืองในสิกขาสาม ชื่อว่าย่อมเสบบินทบาทเพื่ออนุเคราะห์พระมจรรย์เหมือนมารดาบิดาผู้มีความต้องการข้ามทางกันดานจำกินเนื้อของบุตรเหมือนพวกคนที่ต้องการข้ามแม่น้ําย่อมอาศัยแพและเหมือนพวกคนที่ต้องการข้ามมหาสมุทย่อมอาศัยเรือฉะนั้นคําว่าจักกาจัดเวทนาเก่า และไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นนี้มีอัธยาที่บายดังนี้ภิกษุเสบินทบาทโดยประสงค์ว่าด้วยเหตุที่เสบินทบาดนี้เรจาจักกำจัดเวทนาคือความหิวเก่าและจักไม่ให้เวทนาใหม่ซึ่งมีการฉันเกินประมาณเป็นปัจจัยเกิดขึ้นเหมือนพราหมณ์ชื่ออาหราหัตกะชื่ออะลังสาตกะชื่อตัตตะวัตกะชื่อกากมาสกะ และชื่อพุทธ ว, วะมิตกะคนใดคนหนึ่งทํานองเดียว ก, กันกับคนไข้รับประทานยาอีกประการหนึ่งพึงทราบอถาธิบายในคํานี้แม้อย่างนี้ว่าเวทนาใดที่เรียกว่าเวทนาเกา่าเพราะเกิดขึ้นด้วยอํานาจปัจจัยคือกรรมเกา่าโดยอาศัยการฉันบินทบาด ท, ที่ไม่เป็นสัพพายะและฉันเกินประมาณในปัจจุบัน เราทำปัจจัยแห่งเวทนาเก่านั้นให้หายไปด้วยการฉันบินทบาตอันเป็นสัพพายะและฉันแต่พอประมาณชื่อว่าจะ ก, กาจัดเวทนาเก่านั้นอันหนึ่งเวทนาใดที่เรียกว่าเวทนาใหม่เพราะเกิดขึ้นต่อไปโดยอาศัยความสั่งสมกรรมคือการฉันอันไม่สมควรที่ภิกษุทาแล้วในปัจจุบัน เราไม่ให้มูลเหตุแห่งเวทนาใหม่นั้นบังเกิดได้ด้วยอำนาจการฉันอันสมควรชื่อว่าจะไม่ยังเวทนาใหม่นั้นให้เกิดขึ้นนักศึกษาพึงทราบว่าด้วยบททั้งสองนี้เป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงแสดงถึงการสงเคราะห์เอาการฉันอันสมควรด้วยการประหารการมาสุขคาลิกานุโยคด้วยและการไม่ยอมเสียสละความสุขอันเกิดโดยธรรมด้วย คำว่าและความเป็นไปจักมีแก่เรามีอัธาที่บายว่าภิกษุเสบินทบาโดยประสงค์ว่าก็แลความเป็นไปคือความดำเนินไปตลอดกาลนานจักมีแกเราคือกายนี้อันมีความเป็นไปเนื่องด้วยปัจจัยโดยไม่มีอันตรายอันจะเข้าไปตัดชีวิตตินสีหรือตัดทอนอิริยาบถเพราะการชันพอประมาณดังนี้บ้าง เหมือนคนมีโรคติดต่อรับประทานยาอันเป็นปัจจัยแก่โรคนั้นฉะนั้นคำว่าความเป็นผู้ไม่มีโทษและความอยู่ภาสุขมีอัธถาทิบายว่าภิกษุเสบินทบาโดยประสงว่าความไม่มีโทษจะมีแก่เราโดยงดเว้นการสแสวงหาการรับและการฉันอันไม่สมควรความอยู่ภาสุขจะมีแก่เราโดยการฉันพอประมาณ อีกอย่างหนึ่งความไม่มีโทษจะมีแก่เราเพราะไม่มีโทษเช่นความกระสันความหลับความบิดกายซึ่งมีการฉันบินธบาทอันไม่เป็นสัพพายะและการฉันเกินประมาณเป็นปัจจัยและอันวินยูชนเขารหาเป็นต้นความอยู่ผาสุจากจะมีแก่เราด้วยความบังเอิญแห่งกำลังกายเพราะมีการฉันบินบาศอันเป็นสัปปายะ และการฉันพอประมาณเป็นปัจจัยอีกอย่างหนึ่งความไม่มีโทษเพราะละเสียซึ่งความสุขในการเอ็นหลังความสุขในการเ อ, เอกเนกและความสุขในการหลับจกมีแก่เราด้วยการหลีกเว้นการฉันจนแน่นท้องตามที่ต้องการและความอยู่ผาสุเพราะอย่างความประกอบด้วยอิริยาบถ ท, ทั้งสี่ให้ถึงพร้อมจกมีแก่เรา โดยการฉันให้หย่อนไว้สักสี่ถึงห้าคำดังนี้บ้างสมด้วยพุทธนิพนธคถาที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพึงหยุดฉันเสียเมื่อสี่ถึงห้าคำจะอิ่มแล้วพึงดื่มน้ำแทนเป็นการเพียงพอเพื่อความอยู่พาสุกแห่งภิกษุผู้มีตนส่งไปแล้วนักศึกษาพึงทราบว่าด้วยคำทั้งสาม ตามที่อัฏฐาธาิบายมานี้เป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงแสดงถึงการกำหนดเอาประโยชน์และมัชฌิมาปฏิปทาด้วยประการชนนี้